โอ้ถ้าใครมีความเข้าใจอย่างนั้นมีความรู้สึกอย่างนั้นบอกว่าข้าพเจ้าขอนหน้อมท่านท่านเป็นผู้ปฏิบัติ ด, ดีเหลือเกินในบรรดาผู้ปฏิบัติ ด, ดีทั้งหลายแต่น้อยนักเนี่ยนะน้อยนักที่จะชอบ ว, ว่าเออเนี่ยไม่ใ้ความเพลิดเพลินในรูปสวยๆนี่มันร้ายมากอย่างนั้นมันเหมือนลุ่มฐานเพลงเลยนะมันนํามาซึ่งมห ah าทุกข์เหมือนนํามาซึ่งมหาทุกข์อัน ท, ที่พิจารณาได้อย่างนั้นนั่นแหละเป็น เป็นผู้มีปัญญาปฏิบัติในมัชฌิมาปฏิปทาตอนผู้ที่ปฏิบัติสําเร็จอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านแย่ไปในทุกอารมณ์นะไม่ใช่ว่าเป็นธาตุหันไม่หลับไหลไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ใช่เป็นลักษณะปกติตัวเองโดยไม่รู้อะไรโดยตรการทั้งปวงบอกไม่ใช่ภพสามกาเนิดสี่คติหวิญญาณที่ 7, สี่เจ็ดสัตตาวาสเก้านี่ยนะท่านรู้หมดท่านรู้ว่าความสุขของหมู่เทวดาทั้งหลายมันเป็นยังไงท่านรู้ว่าความสุขของโมูพรหมทั้งหลายนี่เป็นยังไง <mister tumors> สุขของอรูปภพลม <Reserve> ทั้งหลายเนี่ยเป็นยังไงท่านรู้แต่ท่านไม่ <su> ไม่ติดเนี่ยนะก็เหมือนอย่างว่าคนเห็นสวนดอกไม้อะนะโดยโดยเฉพาะนะนักแต่งสวนที่เรกว่ารู้รสชาติของต้นไม้ทุกต้นมาเป็นอย่างดีรู้ปัญหารู้อุปสรรครู้ภาระเลยนะแล้วก็พิจารณาถึงความเหน็ดเหนื่อยความทุกข์ยากจากการปลูกสวนดอกไม้เนี่ยเต็มที่เลยนะถามว่าจะเอาอีกไหมสักห้าพันไร่อย่างเงี้ยนะให้เจ้าของโครงการเลยนะดูแลปลูกต้นไม้อย่างเดียว ดอกไม้สวยสวยเลยนะห้ามไม่สวยแม้แต่ดอกเดียวเลยนะนะครับผู้การเนี่ยไม่เอาเนี่ยนอนนะคนหนึ่งในผู้ก็รดาไม่เอาเนี่ยนะผู้การไม่เอาก่อนแล้ะเบือเตันทีแล้วท่านหนึ่ง <c oughs> อะไรนั่นนรกแห่งการงานเจ้าของวาทะว่านารกแห่งการงานเหมือนกันนะต่ออย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือถ้าหย่เข้าไปจริงๆไม่เห็นหน้ามันหน้าอาภิรม์อะไรเลยใช่มแล้วก็สัพพะโลเกนะพิรตสัญญาผู้ที่มีสัญญาอย่างเนี้ น, นี่ คุณนภารอดไฟข้างบนเป็นยังไงหน้าเบื่อมากๆเลยใช่ไหมสาธุถ้าถ้าเห็นอย่างนั้นพี่ก็เห็นเลยโอ้โหหลอดไฟนี่มันหน้าเบื่อมากเลยเพชรเทียมตัวนี้ก็มันน่ารําคาญออกเกะกะไปหมดเลยเป็นอย่างนั้นไหมตอนนี้เนี่ยโดยมากนะเฉยๆแต่อุเฉยๆแบบโลภะเพราะ <laughs> โลภะเนี่ยมันมีทั้งแบบโสมนัสและแบบแบบเฉยๆเนี่ยนะ ทัา น, นตัวโลภะที่เพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าผู้ใดเห็นว่านั่นคือหลุมฐานเพลิงชัดๆเลยนะนะผู้นั้นก็แสดงว่าเขาคงที่จะตรัสรู้ทำชั้นสูงเนี่ยขัตยาสัย์ของเขาสูงอย่างนักเห็นโทษของฉันทราคาที่มีอยู่ในในวัตถุทุกชนิดเหมือนกับหลุมฐานเพลิงจริงๆแล้วผู้ที่เป็นพระ่าหาันท่านมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะว่าไอ้ตัวความเพลิเพลินนี่ร้ายกาจมาก นะเป็นโซ่ที่เราว่าฉุดไปสู่อบายทุกคติวินิบาตและนรกนั่นนะนี่นะถ้าไม่เคยเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นพุทธบูชาเลยนะแล้วน้อมให้หรือกุศลถ้ามีนอนดูพวกนี้จนจุติจะไปไหนไม่รู้ว่าของใครอะไของใครอะไรกันถ้าไม่เคยน้อมประลบสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลอ่นนะดูเคลืเพลิมไปเรื่อยแล้วก็ไปไหนนี่เรื่องยาวเลยแหละอ่านะสรุปนะดีทุกอา่าขอไปสมุทัยเนี่ย ตัญหาทั้งหมดเนี่ยคือต้นเหตุแห่งทุกข์กิจของสมุทัยนี้ควรละบอกว่าไม่มีสมุทัยไหนที่พระองค์ไม่ละแม้แต่ชิ้นเดียวก็ไม่มีเลยตัญหาที่ในที่ที่ในบรรดาพูดในไหนนะในบรรดาสิ่งที่เห็นผู้ที่เห็นของสวยของงามที่สุดนะพระพุทธเจ้านี่เห็นท่านเห็นเทวดาเอาสิแต่ท่านไม่มีฉันทราคะในหมู่เทวดาแม้แต่ นิดเดียวไม่มีแม้แต่นิดเดียวก็มีอย่างที่เขากล่าวว่าลูกสาวของพญามารสามท่านเนี่ยนะที่มายั่วยวนพระพุทธเจ้าที่ที่ที่ต้นอาชาปาราณิคโครดเนี่ยที่โน่นอะพุทธคยาเนี่ยนะบอกว่าถ้าเป็นคนมีราค่าอยู่นะถ้าหัวใจไม่แตกตายนี่ไม่มีแต่ว่าพราะองค์นี้ไม่มีตณหาแม้แต่นิดเดียว เพราะพระ อ, องเป็นผู้ปราศจากปัญหาโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรไปเนี่ยเหมือนใครจะย้อมอากาศใครย้อมสําเร็จบ้างนะชุบสีอากาศให้มันเปลี่ยนสีให้ได้เลยนะไม่มีใครทําสําเร็จชั้นใดจิตของพระอรหันต์ทั้งหลายก็ชั้นนั้นเพราะท่านละหมดแล้วพร้อมทั้งรากคูณกิเลสเนี่ยนะมันถามว่ามันอยู่ในมันอยู่สมมติราคานี่มันอยู่ที่ของสวยของงามใช่ไหม มันอยู่ที่ของสวยของงามหรือของสวยของงามเป็นปัจจัยแห่งราคะเป็นปัจจัยแห่งราคะเมื่อมันเป็นปัจจัยแห่งราคาก็เลยเหมือนว่าราตัวสองสวยของงามเนี่ยมันเป็นเป็นตัวราคาเลยแหละนันนะเหมือ น, นอย่างว่าร่างกายของเราเนี่ยนะแผลในร่างกายของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดใช่ไหมใช่มีแผลแล้วนอนหลับสนิท ต, ตื่นขึ้นมาแล้วไงขณะที่หลับเนี่ยมีแผลไหมไม่มีหลับสนิทนะ ถ้าหลักสนิทมี ม, มีมีเวทนามไหมไม่มีแต่มีแผลใช่ไหมมีทําไมไม่ปวดล่ะแต่ถามว่าถ้าจะปวดปวดที่ไหนถ้าจะปวดก็ปวดที่แผลนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าแผลมีตลอดการและตลอดใจมันก็ต้องปวดตลอดแต่แสดงว่าความเจ็บปวดเนื่องจากมนุษยการฉันใดในของสวยของงามในโลกเหล่านี้ก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะจะเรียกว่าตันหาจะเกิดที่นั่นก็ใช่ตัวนั่นเป็นปัจจัยแห่งตันหาก็ใช่เหมือนอย่างว่า ที่นั่นน่ะคือที่เกิดแห่งปัญหาแต่ถ้าผู้ทำปริญญาเสร็จแล้วสิ่งเหล่านั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งปัญหาคำว่าทำปริญญาโดยเฉพาะปะหาหนะปริญญานะจนละความสำคัญว่าเป็นของเที่ยงได้ละความสำคัญว่าเป็นของสุขได้ละความสาคัญว่าเป็นอัตตาได้เนี่ยน ะ, ะจนละความน่าเพศเพลินออกไปหมดเกลี้ยงเลิกความยึดติดได้หมดเกลี้ยง มุ่งจะดับวัตถุทุก์เหล่านี้ได้หมดเรี่ยงสลัดคืนจากอุปธิเหล่านี้ได้โดยประการทั้งปวงอย่างนี้ก็ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ทําที่สุดแห่งทุกอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าสมุทัยเนี่ยเป็นธรรมชาติเอนี้สมุทัยสมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละสมุทัยเหล่านั้นเราก็ละเสร็จแล้วนี้นิโรธคือความดับทุกข์ดับดับสมุทัยนั่นแหละเป็นนิโรธนิโรธเหล่านั้นเนี่ยนะ เป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเราก็ทำให้แจ้งแล้วในบรรดามัชคือข้อปฏิบัติที่ไปเห็นทุบละสมุทไทยทำนิโรธให้แจ้งมัช ม, มักเนี่ยนี้คือมักมัชเหล่านี้ควรเจริญมักเหล่านี้ทั้งหมดเราเจริญแล้วเหมือนพง์ก็บอกว่าความรู้ในอริยสัจสี่ความรู้ในอริยสัจสี 4, โดยรอบสาม คือสัจาจย า, ายานกิจจายานกตาญาณโดยอาการสิบสองเหล่านี้ถ้าไม่มีเพียงใดเราจะไม่ปฏิญาณเลยว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดพูดไม่ได้หรอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงเป็นผู้ตรัสรู้จริงนะนะแต่เนื่องจากความรู้ในอริยสัจสีโดยรอบสามโดยอาการสิบสองสรุปนะว่าอริยสัจจยานทุกชนิดเนี่ยนะยานในสัจจะคือทุกสมุทยัยนิโรธมรร กิจยานเนี่ยนะกิจสิบหกองก็ทําเสร็จแล้วกัตายานเนี่ยนะคือปัจเวคขณะยานสิบเก้าพงก็ทําเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้แต่รู้แล้วในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณเนี่ยถือว่าเป็นผู้รู้จริงพอพอพระนยากุลทันญ่าฟังอย่างนี้ท่านก็เห็นอริยสัจเลยก็เก่งมากนะท่านเห็นอริยสัจของเราเนี่ยอ่านธรรมจักรตั้งหลายรอบแล้ว ไอ้เข้าใจยังไม่แม้จะเข้าใจเลยนะบางทีให้อ่านไหมอะไรนะี่ะแสดงว่าห่างท่านมา ก, ก น, นะอินรียนี้โดยเฉพาะสัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้ห่างท่านมากทีนี้สมบัติพระอีสีรูปคือพระอะไรวัปะพัทยามหานามอัศชิเนี่ยสีรูปเนี่ยท่านรู้ว่าอืออริยสัตว์มันเป็นอย่างนี้นะแต่ไม่บรรลุท่านก็ไปคิดอริยสัตว์ต่อไปไปเพ่งพิจารณาริยสัตว์เรมึงหนึ่งข่ำพระ วปาบรลลูสองคำพัทยาบรรลุสามคำมหานามาบรรลุสี่คำพัทยาบรรลุเ อ, อ่ออาสชีบรรลุสี่คำเนี่ยแรมสี่คำพระอาชีบรลลูคือท่านเหล่านั้นเนี่ยท่านก็ไปตรึกเรื่องอริยสัจพอถ้าหากว่าท่านตรึกนอกอริยสัจเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าจะเสด็จมานะสมัยนั้นเนี่ยนะเครียกว่าบรรลุด้วยตกินะกะเทศนาตกินะกะเทศนาก็คือกลุ่มไหนคือท่านเหล่านั้นก็ไปหลีกเล้นะ่ะ หรือเลนที่เจรนาอาริยสัตว์ตเนี่ยถ้าตรึกนอกจากอริยสัตว์หรือไปตรึกเป็นอื่นที่ไม่ใช่เพื่อตรัสรู้อริยสัตว์พระองค์จะวับมาละบอกเตือนแล้วก็พระองค์ก็หายไปเนี่ยนะตอนท่านเพ่งลักษณะนี้ไม่ไม่นานเนี่ยนะก็บรรลุวัลรูปวัลรูปวัลรูปวลัปว ล, รปวลรูปจนถึงวันแรมห้าค่าแรมห้าค่ำเจียงประกาศอนัตตลักษณะสูตรเนี่ยนะเพื่อให้บรรลุะมัทสุดสามเบืบ้องบนคือ สกาทาคามีมัคอนาคามีมัคและอรหัน ต, ตมัค ก, ก็อย่าลืมว่าการที่จะบรรลุเป็นผ้าอรหันตในระดับสูงก็ตามหรื อ, อผู้ที่ปรารถนาคุณธรรมที่จะบรรลุชั้นสูงๆขึ้นเนี่ยยังไงก็จะไม่มีการพิพจารณาพ้นขันท่าพิจารณาขนันท่าทีนี้การพิจารณาอุปาทานขันท่าก็จะไม่มีพน้นอนิจจทุกขังอนัตตาเนี่ยนะซึ่งท่านเหล่านี้ก็ไม่ได้เข้าใจผิดอยู่แล้วว่าขันท่าเป็น อตาด้วยอำนาจโสดาปฏิมัคท่านเหล่านี้ไม่สงสัยในเหตุเกิดของขันห้าด้วยอำนาจโสดาปฏิมัคท่านเหล่านี้จะไม่สงสัยในความดับขันห้าด้วยอำนาจโสดาปฏิมัคจะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าผู้รู้เหตุเกิดและความดับในอุปาทานขันห้าจะไม่สงสัยเลยว่าธรรมะที่ดับขันห้ามีอยู่จริงไม่มีความสงสัยโดยประการทั้งปวงแต่ก็ยังชอบขันห้าอยู่เนี่ยนะ แล้วท่านเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้มีปัญญาเป็นกลุ่มคนที่ที่เป็นนักเป็นผู้มีปัญญาจริงๆในพรอนองก็ผู้มีปัญญานี่องค์จะแสดงธรรมขึ้นต้นด้วยอนัตตาเพราะปัญญินีของท่านเหล่านั้นมีกำลังองค์ก็ถามไปดูก่อนงที่สูตทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตา ในการที่จะที่บายอนัตตาเนี่ยมีอยู่สวิธีด้วยกันวิธีที่หนึ่งหนึ่งประกาศว่าประกาศอนิจจังเนี่ยจึงจะรู้จักอนัตตาวิธีที่สองประกาศทุกขังแล้วจึงจะรู้จักอนัตตาวิธีที่สอนิจจังทุกขังจึงจกรู้อนัตตาอนัตตาลักษณะสูตรพระองค์ประกาศทั้งอนิจจังทุกขังและอนัตตาแต่ขึ้นต้นด uh. ้วยบอกทุกกคน รูปเป็นอนัตตาดูความพิสูจทั้งหลายรูปเป็นอนัตตานี่นะถ้าหากว่ารูปจากเป็นอัตตาจริงนะบุคคลมันก็ต้องได้อํานาจในรูปสิเออรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เธอรูปของเราอย่าเป็นอย่างนี้เลยมันต้องไม่เจ็บมันต้องไม่ป่วยสิมันต้องแบบเป็นได้อย่างที่ตัวเองต้องการหมดโดยประการทั้งปวงเสียนะอย่างเช่นถ้าแบบจูลเล่สัจกะสูตรนี่นะชัดเลยนะเขาบอกว่าถ้าสัจกะนิครนเขาบอกว่ารูปมันเป็นอัตตาตรงคำถามมันแน่ใจนะว่ารูปเป็นอัตตา ท่ามีอำนาจในรูปหรือแล้วท่านในรูปร่างแบบนี้ทําไมท่านไม่มีอํานาจในรูปให้ท่านหล่อเท่าแบบเจ้าลิชีทั้งหลายอ่ะออไม่ใช่เว้ยเราไม่มีอํานาจจริงๆอะไรเนี่ยนะต็เริ่มรู้นะอย่างป่วยจริงๆแล้วจะรู้ว่าเออมันอนัตตาจริงๆตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวลุกเหินเดินคล่องนี่ก่อนนึกว่ามันเป็นอัตตาใช่ไหมเหมือนเรามีอัตตาในสิ่งเหล่านี้แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยไอ้ที่เรียกว่าเคยคล่องนี่ชักไม่คล่องแล้ว น, นะ ก็ในห้องเรานี่มีนักกีฬาอดีตนักกีฬาอยู่แต่ตอนนี้ให้เล่นอะไรเนี่ยสงสัยได้แพ้หมดอ่ะนันเกตก็เป็นนักกีฬาเก่านะผู้การก็นักวิ่งทางไกลเก่ามาเนี่ยนะมันก็ถกแข่งตอนนี้ก็แพ้แล้วตั้งอะไรกันนะเรพราะว่าพมันสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่มีใครมีอํานาจที่แท้จริงในสิ่งเหล่านี้ที่ดูแลดีเพราะอะไรเพราะหนึ่งกรรมชรูปบุญเก่ามาดีสองจิตตชรูปพ้นข้างดีสามอุตตระรูป ดีแล้วก็อาหารชรูปใช้ได้ความเป็นไปของสมุดฐานทั้งสี่ประการยังเป็นไปได้ร่างกายก็เรียกว่ายังเป็นไปได้ถ้าตัวใดตัวหนึ่งเสียหายเข้ามีใครมีอำนาจบ้างเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปด้วยปัจจัยอ่ะแล้วใครมีอำนาจที่แท้จริงในสิ่งเหล่านี้พ่อองค์จึงบอกว่าพวกนี้มันเป็นอนัตตาเพราะมันเป็นไปเพื่ออาพาธแล้วก็ไม่มีใครมีอานาจอย่างแท้จริงในสิ่งเหล่านี้ถ้ามีอํานาจจริงนะคุณสุจินรักษาคนไข้าหายหมดอะ บอกว่าไม่มีอำนาจใช่ไหมตายวันละคนนะมันี่เอไม่ใช่ฆ่าตายนะเขาตายเพราะเขาเองอะนะดูแลคนเกือบตายวันละคนวานละคนเอาวานละสามคนเองอะนะ <c oughs> อา่า <c oughs> ก็วันละสามคนบ้างสองคนบ้างอะนะ <c oughs> ค่อยๆหายไปทีแล้วไอ้คนเครเราว่าคนเกือบตายก็ทยอยมาใหม่ใช่ไหมคนตายวันก็เหมือนกับอยู่โรงเชื่อดอะนะ <c oughs> ร, อรอเวลาเชื่อเนี่ยนะ <c oughs> แล้วเชื่อไหมทุกเราทุกคนเนี่ยเดินไปหาเวลานั้นด้วยนะ นั่งก็นั่งรอเวลานัออ้นนอนอะก็นอนรอเวลานัออ้นอะนะรีบไปก็ไปหาที่นั่นหนึ่งนั่นแหละมันก็สรุปว่าอะไรนะเตียงสุดท้ายไหมผูการบอกเตียงสุดท้ายสุดเตียงสุดท้ายหรือเตียงเริ่มต้นก็อยู่ใกล้ใกล้กันอะนะตายไม่น่ากลัวเท่าเกิดหรอกแต่ว่าไอ้เกิดใหม่มันก็อยู่ใกล้ใกล้กับกับตายนะมันก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละทีนี้ไม่มีใครมีอำนาจในรูปเลยทีนี้ถ้ารูปรูปเนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งอะไร แหงเวทนาใช่ไหมถ้ารูปเป็นอิทธารมรูปนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาถ้ารูปเป็นอนิถารมก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาถ้ารูปเป็นที่ เ, ى, เป็นมัชฌตารมก็เป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาวเวทนาเวทนาทั้งหลายเนี่ยมันขึ้นตรงต่ออารมณ์เป็นหลักนะมันขึ้นตรงต่อสภาวะของอารมณ์ถ้ารับอารมณ์ที่ดีอะไรสมนัตใช่ไหมถ้ารับอารมณ์ที่ไม่ดีโทมันัตถ้าอารมณ์ตากลางก็ โอเบขาเมื่อเวทนามันขึ้นตรงต่ออารมณ์อย่างนี้เนี่ยนะใครมีอำนาจจริงๆในเวทนาบ้างหร อ, อไม่มีอย่างสมมุติอะอย่างเราเห็นบรรยากาศสังคมสิ่งแว ด, ดล้อมในลักษณะนี้นะถ้ามีไม่ไม่ได้นึกเกี่ยวกับเรื่องธรรมะอะไรเลยนะมันจะโสมนัดโดยโดยธรรมชาติอยงนั้นเถอะไม่เห็นมีอะไรนะไม่เห็นมีอะไรน่ารังเกียจไม่มีสะดุดตาเลยใช่ไหมไม่มีอะไรที่มันน่าระคายเคืองตาเลยอันนั้นเป็นลักษณะของโลภะ ถ้าไปดูอีกที่หนึ่งเนี่ยนะกลิ่นแขกทํา ง, งานเต็มที่เลยคุณเป็นจ้าหมายว่พูดไปยกมือไหวเลยแนะมันทํากิจเต็มที่เลยนึกว่าอยู่ที่ไหนกันแน่นะจะเป็นบ้านเราก็เล้าหมูนะ่ยคุณเป็นจ้านี่เขาเป็นคนแถวแปดเร็วเพราะฉะนั้นก็โหแถวนั้นเนี่ยเล้าหมูเยอะจริงๆเนี่ยนะมันได้กลิ่นอยู่ที่ไห น, นก็ได้กลิ่นเนะนี่ยนะเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะเขามาม า, มาหลายครั้งก็เลยเมาครั้งเนี้ยตอนนี้กลิ่นแขกมันหายหมดแล้ว นะเดี๋ยวพักเดียยอมเข้าชุ่มปอดหมดแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็จะเป็นเรื่องปกติแล้วขอให้เดี๋ยวกลมกลืนกันหน่อยนะรอให้มันเข้าน้ําเข้าเนื้อก่อนช่วงนี้ระหว่างผสมกันอยู่เดี๋ยวอีกผ้าหนึ่งเกือบปลายนี้ก็กลืนแขกก็เป็นเรื่องจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยนะกนะ็เ น, นี้ก็ลักษณะจังนั้นจริงๆเวทนาเนี่ยเป็นอย่างนั้นไม่มีใครมีอานาจในเวทนาเพราะมันเนื่องด้วยรูปถ้ารับอิทธารล์อยู่สุขโสมนัสก็เกิดอ น, นิถารลมทุกโธมนัสก็เกิด มัจฉาตารมณ์อุเบกขาก็เกิดพันเวทนาเหล่านี้มันขึ้นตรงต่ออารมณ์ไม่ได้มีผู้ใดมีอำนาจอย่างแท้จริงในเวทนาทีนี้อารมณ์ในโลกนี้มันอิทธารมเรืออนิถารมเป็นส่วนใหญ่เอืออนิถารมเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะเพราะก็อาพาธแน่นอนนะตัวสภาวะของเขาเองเวทนานะัทุกขเวทนาเนี่ยเป็นทุกขเพราะตั้งอยู่เป็นสุขเมื่อดับไปสุขเวทนาเป็นทุกขเมื่อดับไปเป็นสุขเมื่อ ตั้งอยู่อุเบกขาเวทนาเป็นทุกข์เมื่อไม่รู้ถ้ามีความรู้ก็เป็นสุขพรมีอาจารยติเคยถามว่าเอ้าอุเบกขาเวทนาเนี่ยนะถ้าไม่รู้เนี่ยทุกข์ยังไงถ้ารู้แล้วสุขยังไงจริงๆแล้วตัวหนั้นซื้อเครื่องในพระตถาคกเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาประเภทไหนในเวทนาสามอุเบกขาเวทนาใช่ไหมถ้าลองดูเนี่ยไม่รู้ท่านพิมพ์ว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะอะไรเวทนาเกิด ทุกเวทนาก็เกิดแต่ถ้าอ่านเข้าใจนะสุขก็เกิดโสมนัสก็เกิดท่านก็บอกว่าบุเบคาเวทนาเนี่ยเป็นทุกข์เมื่อไม่รู้เป็นสุขเมื่อรู้อย่างถนนหนทางก็เหมือนกันนะถ้ามองออกอย่างตลอดสายเนี่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าไม่รู้เลยนะมายังไงไปยังไงเป็นต้นเนี่ยนะเป็นอย่างทุกข์ท่านเวทนาเนี่ยจึงเป็นอนัตตาไม่มีใครมีอำนาจอย่างแท้จริงใน เวทนาทางทวารหกเลยเพราะเวทนาในทวารหมีภาษาเป็นตัดใจสัญญาก็เหมือนกันนะสัญญานี้เป็นอนัตตากุศลสัญญากับอกุศลสัญญาอกุศลสัญญาก็คือการมสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญากุศลสัญญาก็คือเนคขมะสัญญาอภยาปาธาสัญญาอวิหิงสาสัญญาเนี่ยในสัญญาทั้งหลายเหล่านี้ใครมี อ, อำนาจอย่างแท้จริงเยอย่างรูปที่เป็นอิทธารมเลยนะอิทธารมหน้าปรารถนาเต็มที่เนี่ยกา ม, มาสัญญาก็เกิดถ้าอ น, นิธารมบางครั้งก็พยาบาทสัญญาบางครั้งก็วิเหงษาสัญญ า, อ, า, นะ อ, า, อ, าอันะตัวอิทธารมอนิถารมเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งอกุสมสัญญาทีนี้ถามว่าใครมีอำนาจที่แท้จริงแห่งในสัญญาเหล่านี้บ้างไหมไม่มีพันสัญญาเหล่านี้เป็น อนัตตาแล้วก็โดยมากสัญญาประเภทเป็นตาเพื่ออ า, าพาธด้วยสิเช่นอกุศลสัญญาทั้งหลายเนี่ยนะมันมันเป็นตัวอ า, าพาธจริงๆเหอนะมันเป็นความทุกข์ความทรมานชนิดหนึ่งของอกุศลสัญญาสังเกตได้จากอะไรถูกไหมทําไมคิดย้ําแล้วย้ําอีกในเรื่องนั้นทั้งๆที่ควรจะคิดแก่ครั้งเดียวก็พอเลยใช่ไหมบางเรื่องอนะทําไมพาเรือไม่อ่างอยู่ขนาดนั้นพายอยู่ทั้งครื่งคืนเรื่องบางเรื่องนะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีก คิดทำไมอะนะคิดจัดกระเ๋าเสร็จหรือยังเลยนะทั้งท้งที่ตอนฉัดนี่ก็เต็มที่แล้วแหะมันเรียดแล้วนะคิดแล้วจะนะเฮ้มันเสร็จหรือยังยังไม่จัดนะก็ลุกขึ้นไปรูดูใหม่อ่ายังเสร็จหรือยังอนะของเรามีไหมในห้องเราเนี่ยยันบัจามีไหมมีเหมือนกันนะแสดงว่าปฏิคาณนี้มันมีนะพวกจัดกระเปาอยูทั้งคืนเนี่ยนะทั้งอที่จัดเสร็จแล้วนะก็ยังจัดอีกกันพวกปิดประตูบ้านปิดประตูรถก็เหมือนกันได้ล็อกหรือยังล็อกหรือยังหรืยังไม่ได้ล็อกเลยนะอ้าว เปวนวนคิดหาแต่เรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองอะไรขันสัญญาเหล่านี้จึงเป็นตายเพื่ออาพาธมาว่าพวกนี้พวกประทุษร้ายตัวเองคิดหาแต่เรื่องอะไรนํามาเส่งความเดือดร้อนแล้วสมมตินนโดยม้านเราชอบคิดถึงคนดีหรือคนเลวคนเลวอย่างมาไหว้พระพุทธเจ้านะเนี่ยถ้าใครมาด่าเราสักคําเดียวนัะลืมพระพุทธเจ้าหมดจํำได้แต่คนนั้นคนเดียว <laughs> ลืมพระพุทธเจ้าหมดเลยนะจําได้แต่ปฏิฆา น, นิมิตอยู่อย่างเดียวเนลยนะ อย่างสมมุตินะมุตไปทําบุญนะว่าทาบุญนะบริจาคไปเท่านั้นบาทเท่านี้บาทนะทําเสร็จแล้วก็เลาะกันไปแต่ถ้าลองสตังหายเท่าที่ทําบุญนะเก็อยู่ถ่ายนั้นะ <c oughs> ไม่ทั้งนั้นไม่ควรคิดใช่ไหมควรควรไปคิดอะไรตัวที่ได้ตัวเองได้ทําบุญไปเนี่ยควรคิดมากใช่ไหมจะได้เป็นที่ตั้งแห่งอัปราระเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งบุญกุศลใช่ไหมไม่ไปคิดอะไรแต่ปฏิฆาในมิตูนั้นแ่ะผัสัญญานี่จึงเป็น อนาตตาเพราะมันเองเนี่ยเป็นตาเพื่ออาพาธไม่มีใครเมียนะแล้วก็บุคคลก็ไม่ได้ตามความหวังในสัญญาถ้าขอสัญญาได้นะขอมาจะขอโน่นอะเนวญญาน่าสัญญาณาสัญญายาตนานี่ยนะถ้ามันถ้ามันใครถ้ามีอำนาจจริงๆได้นะจะขอให้ได้เนวญญาน่าสัญญาณาสัญญายาตนาเน่ยนะไม่เอาสัญญาระดับล่างๆธรรมดาเลยหรอกจะเอาสัญญาระดับสูงเลยนะตอนนี้มันขอไม่ได้ไม่มีอำนาจอางจริงๆใน สัญญาอะไรหรอกเนี่ยนะแล้วสังขาร เ, เป็นอนัตตาเป็นอนัตตาหรือไม่สังเกตดูตอนสวดมนต์เนี่ยนะนะเป็นไม่เป็นละม้วนเปนอตตาเนีะนะ่ยนั้นไปด้วยใช่ไหมที่ปากก็ว่าไปใจก็จริงๆแล้วตั้งแต่สวดมนต์มาเนี่ยมีครั้งไหนบ้างที่ไม่ออกนอกบทสวดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยนะของใครมีบ้างนั้นช่วยยกมือให้หน่อยมาจะได้นุโมทนาถูกเอาสูตรสั้ แยกเกล็นอ่านธรรมจักแล้วจิตไม่เป็นอื่นเลยนะแบบพระเจ้าสรัทธาติดสระยังไงนะพระเจ้าสัทธาติดสระเนี่ยฟังทำอยู่ทั้งคืนแล้วตึกแต่พุทธคุณตลอดเลยไม่มีคิดเรื่องอื่นตลอดทั้งคืนเลยนะยืนฟังด้วยนะยืนฟังด้วยแล้วก็จิตเป็นไปกับพุทธคุณตลอดทั้งคืนเลยนะทําได้ไงก็บอกว่าท่านทําอย่างนั้นได้อะเอพระเจ้าศัทธาติดสะแต่ก็ท่านเป็นอนาคตจะเป็นอัคารส า, าวกรูปที่สองของพระ เสียระยะเมตยะเนีน่ยนะท่านท่านท่านท่านมีบุญขนาดนั้นฟังพุทธคุณโดยที่จิตไม่ไปกับเรื่องอื่นเลยเนี่ยนะไม่มีแว๊บเข้ามาเรื่องอื่นเลยน่นนะเพราะเพราะนั้นท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธามากก็เลยเรียกว่าพระเจ้าสัทธาติสสะเนี่ยนะเป็นผู้มีศรัทธามากจริงๆก็ฟังพุทธคุณโดยที่ไม่ไม่จิตไม่น้อมไปในเรื่องอื่นนั่นนะมองทําแม่คสทูปปั๊บเห็นแต่ธรรมจักอย่างเดียวเลยนะ เห็นเนื้อหาเป็นธรรมจักรอย่างเดียวไม่ไปกับเรื่องอื่นเลยเนี่ยโอ้โหใครทําได้นี่ทําบุญมาดีจริงๆเลยนะสั่งสมอัธยาสัยให้ตัวเองมาดีจริงๆป้นพวกสัญญาทั้งหลายเช่นผัสอ่ะขออภัยสังขารทั้งหลายเช่นผัสสะเจตนาตัณหาวิตกและวิจารณ์ซิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาเนื่องจากว่าไม่มีใครมีอํานาจอย่างวิตกทั้งหลายเนี่ยมีอํานาจจริงไหมว่าเออเนี่ยเราจะต้องตึกแต่เรื่องนี้นะ เรื่องอื่นเราจะไม่ตรึกเราจะตรึกถึงแต่พระพุทธเจ้าเนี่แหละไม่เอาละเรื่องคนอื่นไม่เอาละเห็นไหมมีใครดีเทาพระพุทธเจ้าขอคิดแต่เรื่องพระพุทธเจ้าพอละหรือเนี่ยเราจะไม่จําเรื่องอื่นคําของใครนึกไม่ออกทั้งนั้นนึกออกแต่คําของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนึกถึงใครก็นึกไม่ออกแต่พระริยสาวกเนี่ยหเรื่องคิดได้ทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไหมตรึกไปในเรื่องนี้บ่อยไหมไม่ใช่เลยนะตรงกันข้ามถ้าส่วนใหญ่ท่านไม่มีใครผู้ที่มีอํานาจใน สังขารอย่างแท้จริงเนี่ยยากมากเช่นแม้กระทั่งสังขารคือเจตนาที่เป็นบุญเนี่ยนะมีอำนาจทําให้มันเป็นบุญได้ง่ายๆได้หรือบุญประเภทอะไรในะส ม, มะถะและ้ววิปั ส, สนาคี้ให้เป็นแต่ส ม, มะถะและวิปั ส, สนาเนี่ยนะถามว่ามีอำนาจอย่างนั้นจริงๆหรือแต่ถ้าผู้ที่ฝึกมามากอาจจะทําได้แต่ถ้าว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยไม่มีใครมี อำนาจได้แม้เช่นขอให้มันเที่ยงขอให้มันสุขขอให้ยั่งยืนให้เป็นเช่นนี้ตลอดไปเนี่ยยากเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาแล้วอนัตตาคือสังขารที่เป็นกรรมเนี่ยนะบอกว่ากรรมที่เกิดขึ้นนะแกะยาให้ผลเนียมน้าได้ไหมคือภาษาบุตรพระมหาโกธิตะถามภาษาบุตรท่านประพฤติพรหมจันทร์ในพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อให้กรรมที่ให้ผลเสร็จแล้วให้ผลใหม่อีกใช่ไหม หรือกรรมที่ยังไม่ให้ผลขอให้มันให้ผลหรือกรรมที่มันให้ผลน้อยขอให้มันได้ผลมากกรรมที่มันให้ทุนให้ผลมากลดให้มันเลิอหน่อยๆนะกรรมที่ให้ผลในชาตินี้ขอให้มันไปให้ผลชาติหน้ากรรมที่ให้ผลชาติหน้าขอมาใช้ชาตินี้ก่อนเป็นต้นเนี่ยการประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมบอกไม่ใช่พวกลัทธิเดรธีทั้งหลายเขาเชื่อว่าเขาจัดการกับกรรมได้ แต่จริงๆของเราทั้งหลายเชื่ออย่างนั้นไหมไม่ใช่ใช่ไหมแต่ประพุทธพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อรู้เห็นอริยสัจเนี่ยนะถ้าว่าจริงๆแล้วการศึกษาพระธรรมทั้งหลายก็เพื่อรู้เห็นอริยสัจแต่ว่าพวกเยราจีทั้งหลายตรงกันข้ามนึกว่าตัวเองมีอำนาจจัดแจงในเรื่องกรรมได้กรรมนิยามเนี่ยนะพระพุทธเจ้ายังจัดการอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่เป็นนิยามนิยามอยู่ห้าประการด้วยกันเนี่ยนะไม่มีใครมีอำนาจในนิยามเหล่านี้เลยนะ เช่นอุตุนิยามใครมีอำนาจบ้างไม่มีอุตุนิยามผีชนิยามก็ไม่มีใครมีอำนาจในผีชนิยามแล้วมีใครมีอำนาจในจิตตะนิยามไหมไม่มีอันนะเช่นว่าจากครูวิญญาณเกิดแล้วก็ขอให้ชาวนามันเกิดเลยโดยที่ไม่ต้องมีสัมปติชนะเป็นต้นเนี่ยมีไหมไม่ได้แล้วธรรมนิยามก็มีผู้ที่สแสวงหายาเพื่อลดความแก่ หรือยาเพื่อจะไม่แก่แล้วก็ยาเพื่อไม่ตายเนี่ยนะเขาค้นมากันหลายหลายสิบปีแล้วนะเจอมีใครสําเร็จบ้างในนี้ในพฤติธรรมนิยามธรรมนิยามคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่เมื่อแก่แล้วก็ตายเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ถือว่าเป็นธรรมนิยามและอะไรนิยามอีกตัวหนึ่งกรรมกรรมนิยามนิยามห้าเนี่ยไม่มีใครมีอํานาจอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอ่าพวกนี้มันเป็นนิยามมันสังขารทั้งหลายจึงเป็น อนัตตาเนี่ยนะครบุคคลทั้งหลายไม่มีอำนาจไม่มีใครไดมีอำนาจในสังขารยิ่งวิญญาณด้วยแล้วยิ่งเป็นอนัตตาเลยนะวิญญาณเนี่ยเพราะวิญญาณนั้นจึงเป็นไปเพื่ออาภาสถิ ด, ดูนะว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เศร้าหมองใช่ไหมแล้วจิตต้องไปรับสิ่งที่เศร้าหมองในวิญญาณชื่อว่าอาภาสด้วยไหมฉะนั้นคนคนนั้นน่ะมีปัญหาแล้วเราก็ต้องไปคี้แตถึงวัตถุที่มันมีปัญหาเนี่ยนะถามว่าจิตตัวนั้นมีปัญหาด้วยหรือไม่ นี้เนี่ยนะอย่างร่างกายมันเป็นแผลมันเศร้าหมองเวลากายยาวิญญาณมันเกิดมันก็เกิดแบบเศร้าหมองถ้าอารมณ์ที่ดีเวลาวิญญาณเกิดก็วิญญาณที่ที่ดีก็เกิดขึ้นเพราะวิญญาณนี้เนื่องด้วยนามและรูปคือวิญญาณเนื่องด้วยทั้งวัตถุอารมณ์และสัมปยุต ธ, ธรรมเพราะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยจึงเป็นอนัตตาเพราะเป็นตาเพื่ออาภาตไม่มีใครมีอำนาจอย่างแท้จริงใน วิญญาณนั้นวินแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้หมายถึงโลกีธรรมนะเพราะว่าเพื่อที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยมันไม่ใช่วิสัยที่เอาโลโกตะรร ม, มาพิจารณาอะไรเมื่อพิจารณาโดยสรุปเนี่ยนะว่าเออรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเพราะเป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่ออาพาธแล้วก็ไม่มีใครจัดแจงได้สมความปรารถนาอย่างแท้จริงเนี่ยนะ ที่จะไปจัด ก, การาจงเป็นอย่างนี้เธออย่าเป็นอย่างนั้นเลยไม่มีใครทําสําเร็จใช่ไหมเพนทองก็เลยน้อมให้ไปพิจารณาให้เห็นตามสภาพที่เป็นจริงอถ้าใครไม่น้อมไปพิจารณาตามเป็นจริงเนี่ยจะบรรลุอริยสัจที่แท้จริงได้ไหมไม่ได้มันความเห็นต้องสอบคล้องกับความจริงที่มีขึ้นความเห็นที่สอดคล้องที่มีขึ้นเนี่ยนะวินอรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยง อย่างโรงแรมเนี่ยนะไม่มีใครดูแลเลยสักสักสักร้อยปีนะแล้วกลับมาใหม่นี่จะมาอยู่ยังไงไา้ไหมมั่มวซม่วร้อยปีนะข้างหน้าต่อไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะผู้การบอกว่าไม่น่าถึงขนาด น, นั้นหรอกกี่ปีดีผู้การไม่บำรุงเลยไม่ต้องสนใจดูแลปิดทิ้งไปเลยเเอสองปีนี้ก็เดือดร้อนน่ะนะอสามปีนี่ก็เป็นรังหนูไปแล้ว ปีสองปีก็รังหนูไปแล้วนะรังหนูรังหนูแล้วก็ไม่นานอ่ะเดี๋ยวก็หมดเ น, นี่แต่จริงๆแล้วข้างนอกมันอาจจะดีที่สีก็ได้นี่นะเพราะทําสีใหม่ๆอยู่เรื่อยทานั้นเองแต่ว่าถึงทําสีไปตลอดแล้วโครงสร้างภายในล่ะเหมือนกับทําสีผิวอนะมาทําสีตับไตไม่ได้หรอกมันทําได้แต่สีผิวอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะร่างกายของชีวิตมันไม่ได้อยู่ที่ผิวอย่างเดียวมันอยู่ที่ อะไรนะอยู่ที่กระดูกอยู่ที่ปับที่ไตที่ไส้ที่พุงั้งหลายถ้าพวกนั้นไม่ดีแล้วก็ถึงจะทําผิวขนาดมันก็ตัวไม่รอดหรอก น, นะมันแต่งได้แต่ผิวอย่างเดียวมันนนี่ก็เป็นอย่างนั้ น, นจะเปลี่ยนไม่ใช่ว่าจนทรูปผิวใช่จะเปลียนตามวงรอบเหมันเป็นพิณานโหมดทั่วเมียนนะไม่ใช่ปลอยจนท้สุดมันเหลืองใช่เปลี่ยนไปขายโรงแรตามม มันก็เลยเอ่อเป็นมหาภาระมากๆเลยนะฮโรงแรมเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมุติว่ารายได้ไม่ดีนี่นะฮะเออก็ยังมีรายได้พอเลี้ยง บุคลไปเนี่ยเรื่องบุคลากรไปได้เดือนเดือนเนี่ยนั่นถือว่าขาดทุนแล้วครับเพียงแต่มีค่าน้ําค่าไฟแล้วก็จะมีเงินเดือนให้ลูกจ้างนะฮะอย่างสบายๆนะฮะและสมมุติว่ามันไม่เหลืออะไรบ้างเนี่นะฮะก็หมายความว่านั่นขาดทุนแล้วนะฮแต่ก็ดําเนินไปได้นั่นแหละครับแต่เข้าเนื้อแล้วครับเพราะว่าทุกๆสามปีทุกๆห้าปีจะต้องเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี้นะครับเวลานี้ก็ ขอโทษนะเวลานี้ที่มีสอดผมก็กําลังเปลี่ยนหลังคาท่านเห็นไหครับพราะแป้นเกล็ดซึ่งเป็นอหลังคาที่เป็นไม่สักนะฮะที่มามามุงนะเดี๋ยวนี้ถึงอายุมันเริ่มผุแล้วนะฮะก็ต้องเปลี่ยนนะฮะก็ไม้ทั้งหลายก็ปลวกก็เริ่มกินนะฮะก็เปลี่ยนนะฮะแม้แต่ว่าผ้านะฮะไม่ใช่ว่าจะใช้จนกระทั่งเหลืองนะผ้าเช็ด ต, ตัวนี่นะฮะ ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทีนก็เยอะครับเปลี่ยนทีนเยอะเพราะว่ามันห้าหกสิบยูนิตนี่นะครับห้าหกสิบหลังนี่เขาเปลี่ยนเป็นเงินเยอะทีเดียวครับเปลี่ยนทีนก็เรียกว่าโอ้โหมันสะเทือนเลยตอนนี้เราจะรู้ว่าเออนี่แหละเราเราจะอยู่ราบไม่ราบอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นโรงแรมเมื่อเวลา มีรายได้จะต้องมีรายได้ท่วมท้นพอสมควรเนรียเพื่อที่จะเอามาจดเจอไอ้เยอะไอ้ตอนที่มันจะต้องถอ่ายจ่ในเรื่องความเสื่อมเนี่ยก็สรุปแล้วก็อย่างมางครับมหาภูตารูปทั้งหลายนี่นะมันมันมหาพรานจริงๆแล้วไปต้องพูดถึงดอกไม้นะดอกไม้งามงานท่านเชื่อไหมว่าตั้งแต่เดือน พุชิกิกะเพื่อตั้งแต่กลางเดือนตุลาไปถึงเดือนพฤษภาเนี่นะครับจะต้องเปลี่ยนดอกไม้แปลงมันจะต้องเปลี่ยนดอกไม้หลายชุดครับบางชุดเดือนเดียวเท่านั้นนะเดือนครึ่งเท่านั้นน่ะจะต้องเปลี่ยนล้วเช่ดาวเรืองทั้งหลายที่มาดอกตโตๆสวยๆนี่นะฮะมีอายุให้ดูลำงามได้เพียงเดือนเศษๆเท่านั้นครับต้องเลือทิ้งแล้วครับ